หมวดที่เก้าภิกษุทั้งหลายนิยสกรรมประกอบด้วยองค์สามอีกอย่างหนึ่งที่จัดว่าเป็นกรรมชอบด้วยธรรมเป็นกรรมชอบด้วยวินัยและระงับดีคือ 1. ลงเพราะอาบัติที่ยังไม่ได้แสดง 2. ลงโดยชอบธรรมสสงพร้อมเพรียงกันลงภิกษุทั้งหลาย